พระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพญานรร ส, สังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความเพียรในเทวาสุรสงครามาครั้งหนึ่งเท้าสักกะตรัดอบรมสุวีรสเทวบุตรซึ่งรับเทวองค์การ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 เวปกิติอสุรินจึงถามว่าเท้าสักกะทรงลักความคิดเดิมว่าจะไม่ทำร้ายศัตรูเสือหรือเท้าสักกะตรัสให้เวปจิติอสุรินสะบทก่อนว่าจะไม่ทำร้ายวเวปฏิติอสุรินจึงสบทว่าบาปของผู้กล่าวเท็จบาปของผู้กล่าวร้ า, รายพระอริยเจ้าบาปของผู้ประทุษร้ายมิตรบาปของผู้อคริอยู่ขอให้บาปนั้งทั้งหมดจงตกต้องผู้ประทุษร้ายต่อเท้าสักกะในบางครั้ง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 เวทปฏิติอสุรินสวมรองเท้าคาดขันกั้นรม่มเข้าสู่อาสมทางยอดประตูดินเฉียดมูรุษีโดยไม่เคารพฝ่ายท้าวสักกะทอดฉลองพระบาทประทานพระขันแก่เทพอื่นลดฉัดเข้าไปสู่อาสมทางประตูจืนประคองอัญชลีไปทางมูรุษีในที่ใต้ลมมูรุษีได้ขอให้ท้าวสักกะถอยออกไปจากทิศทางที่ลมจะโชยกลิ่นกายของมูรุษีไปท้าวสักกะตรัสว่า ทรงประสงค์กลิ่นที่ลงโชยไปจากกายของฤาษีเหมือนอย่างทรงประสงค์มาลาดอกไม้งามบนศีรษะพวกเทพไม่เห็นว่าปฏิกูลในกลิ่นกายฤาษีครั้งหนึ่งเวปจิติติอสุรินป่วยหนะักเท้าสักกะเสด็จไปเยี่ยมถามอาการไข้เวปจิติติอสุรินขอให้ท้าสักกะทรงช่วยเยียวยารักษาฝ่ายเท้าสักกะก็ทรงขอให้เวปจิติติอสุรินบอกสัมภริมายาหรือมายามน์ชื่อว่าสัมภริเป็นมายามนของอสุรกรรม เท้าเวทปฏิอสุรินขออนุญาตพวกอสุระแต่พวกอสุระห้ามไมา่ให้บอกเวทปติอสุรินจึงกล่าวพุศวาสดให้เท้าสักกะไปนรกยังมีเรื่องเบ็ดเล็ดเช่นครั้งหนึ่งเท้าวสักก ะ, ะเตรจะทรงเทพประรสเด็ดข้าพระเนตรอุทยานเมื่อเสด็จลงจากเวทยันปราศาสตร์ทรงประคองอัญชลีนอบน้อมไปในทิศทั้งปูนเมื่อพระมาตาลีเทพสารถีทูลถามตรัสตอบว่า ทรงนอบน้อมบรรจิตผู้มีศีลบริสุทธิ์มีจิตตั้งมั่นประพฤติพรหมจำและทรงนอบน้อมเครือขัดที่ทําบุญมีศีลเลี้ยงดูพัญญาโดยธรรมบางครั้งเมื่อแตด็จลงจากเวทย์ยังปร า, าสาททรงนมัสการพระพุทธเจ้าบางครั้งทรงนมัสการพระสงฆ์ความไม่โกรธเรื่องเกี่ยวกับความไม่โกรธได้มีเล่าไว้หลายเรื่องเช่นครั้งหนึ่ง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 รูปร่างหน้าครียดยิ่งขึ้นจนหายไปในนัดที่นั้นท้าสกัดขึ้นประทับบนอาสนะของพระองค์แล้วตรัสอบรมพวกเทพสาทกพระองค์เองว่าพระองค์ไม่ทรงโกรธมาช้านานความโกรธไม่ติดตั้งในพระองค์แม้จะโกรธชั่ววูบเดียวก็ไม่กล่าพรุษสวาดวาจาพระองค์สงค์ตนได้ครั้งหนึ่งท้าสกัดได้กล่าวอบรมเทพชั้นดาวดิ่งว่าให้มีอำนาจเหนือความโกรธอย่าจืดจางในมิต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 ที่น่านํามาเล่ารวมไว้ด้วยเรื่องแรกเล่าไว้นายสักกะสังยุตและในบาลีอุทานมีเขาเป็นเรื่องเดียวกันจะเก็บเรื่องในบาลีอุทานมาเล่าก่อนมีความย่อว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเวรุวันใกล้กลรุงราชครุบมีชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเขน็นชื่อว่าสุปปพุทธชื่อนี้ก็ฟังดีอยู่แปลว่าตื่นแล้วด้วยดี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 ทรงชาติด้วยพระยานว่าชายโรคเรือนผู้นี้เป็นพภ ะ, ะบุคคลคือผู้ที่สมควรจะรู้ธทำได้จึงทรงมุ่งสุปปพุทธชายโรคเรือนทรงแสดงอนุปุพภพิกถาต่อด้วยอริยสัจสีจบแล้วสุปปพุทธได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูสลสรรเสริญพระธรรมและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระพิสุสงเป็นสรณะตลอดชีวิต ไดถวายอภิวาททำพรทักษิณคือเวียนขวาหลีกออกไปสุปพุทธะออกไปไม่นานนักก็ถูกแม่โคลูกอ่อนขิด ต, ตายพวกพิสุได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามกติเบื้องหน้าของสุปพุทธะตรัสตอบว่าสุภพุทธะเป็นโสราบันมีสัมโพธิคือความตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามอีกว่า เหตุใดสุภพุทธจึงมนีคนยากจนร้านแค้นแสนเข็นตรัสตอบว่าสุภพุทธได้เคยเป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้วันหนึ่งออกไปชมสวนได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตักรสศีถีเดินบิณฑบาตอยู่ในนครได้เกิดความหมิ่นขึ้นว่าคนขี้เรื่อนนี้เป็นใครเที่ยวเพ่นผ่านอยู่ได้ถมน้ําลายเดินลีคันซ้ายให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไปซึ่งมีการจงใจแสดงกิริยา ม, มิ่งไม่เคารพ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 เพราะวิบากที่เหลืออยู่ของกรรมนั้นจึงได้เป็นมนุษย์ยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญในกรุงราชคฤิน์นี้สุภาพุทธอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศมีศรัทธาสมาทานศีล ส, สุตตะจาระปัญญาแล้วจึงไปเกิดเป็นสหายของเทพช่งดาวดินรุ่งเรืองด้วยวันณะลายศยิ่งกว่าเทพ อ, อื่นๆในดาวดินนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงเป่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นมีความว่า บัณฑิตมีความเพียรบากบันก็ควรเว้นบาปทั้งหลายในชีวโลกเสียเหมือนคนมีจักษุเว้นทางที่ครุขระเสียฉชนั้นในสกกสังยุตเล่าต่อไปในภาคสวรรค์แต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าได้เคยมีบรุษผู้หนึ่งในกรุงราชคฤิตนี้เป็นมนุษย์ยากจนร้านแค้นแสนเข็นได้มีศรัทธาศีลเป็นต้นตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดิง่งรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทพอื่น เมื่อนนังกล่าวไว้ในบาลีอุทานนั้นฝ่ายเทพชั้นดาวดิ่งก็พากันพูดค่นขอดแค่ว่าลำเลิกภาวะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ยากจนแต่มาเกิดเป็นเทพรุ่งเรืองเกินเทพอื่นๆเท้าสั ก, กาเทวราชด้ทรงเรียกเทพชั้นดาวดิ่งมาทรงชี้แจงว่าจะได้ค่นขอดเทวบุตรนี้เลยเพราะเมื่อเธอเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในสร้างสมศราศีล ส, สุตะจักะปัญญา ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตพระพุทธเจ้าประกาศแล้วจึงมัเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายของทวยเทพชั้นดาวดิง่งรุ่งเรืองได้ ว, วันนะและยศยิ่งกว่าเทพอื่นๆท้าวสกกาเทวราชได้ตรัธรรมภาษิอบรมเทพชั้นดาวดิง่งต่อไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นดีไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้ามีศีลงดงามซึ่งพระอริยเจ้าประสงค์ยกย่องมีความลืมใสในพระสงค์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 เป็นคนเข็นใจชื่อว่าสุปปพุทธะดันเนินเนื้อเรื่องเหมือนในบาลีอุทานแต่เล่าแปรไปว่าชาวเมืองสร้างบรรดบใหญ่ในที่กลางนครนิมนพระสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไปเสวยและได้ให้อาหารแก่สุปปพุทธะบริโภคจนหา ย, ยหวยิวโหยอิ่มหนำสำราญรวมจิตแน่วแน่ได้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยสัจอนุโมทนาพัตฐานของชาวเมืองครั้งนั้น สุภพุทธะฟังแล้วได้โสดาปันติผลและได้เล่าบุพกรรมของสุภพุทธะผิดไปจากบาลีอุทานว่าเมื่อครั้งเป็นราชาครองกรุงพราณสีแห่งกาศิกรัตเสด็จเลียดรำปรทักษิณพระนครทรงประมาทหมิ่นพระปัจเจกุทธเจ้าคล้ายกับที่เล่าในบาลีอุทานแต่ในบาลีอุทานว่าเป็นบุตรเศรษฐีในอัตกถาอุทานเล่าเรื่องพิสดารออกไปอีกว่าเมื่อสุภพุทธะฟังเทศจบได้บรรลุ ค, คุณพิเศษแล้ว ปราถนาจะกราบทูลแด่พระศาสด า, าแต่ก็ไม่อาจจะฝ่าฝูงชนเข้าไปได้ครั้นมหาชนพากันตามส่งสเสด็จพระศ า, าสดากลับไปวัดแล้วก็ได้ตรงไปวัดในขณะนั้นเท้าส ก, กาศเทวราทรงทราบทรงใคร่จะทดลองสอบสวนจึงสเสด็จไปปรากฏพระองค์ในอากาศตรัสว่าสุปพุทธาเป็นคนยากจนร้านแค้นแสนเขน็ญพระองค์จักประธานทรัพย์นับไม่ถ้วนขอแต่พงว่าให้สุปพุทธะจงพูดว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เราเลือกกันทีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝ่ายสุปพุทธะได้ถามว่าผู้ที่ลอยมาพูดอยู่นั่นเป็นใครเมื่อได้ฟังคําตอบว่าคือเท้าส ก, ก่าเทวราชจึงกล่าวว่าเท้าส ก, ก่าเทวราชเป็นอนัตถานไม่มีละอายซึ่งเมื่อกล่าวคําที่ไม่ควรกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ที่ควรจะกล่าวกับตน เหตุใดท่านเท้าศักกะจึงกล่าวว่าตนเป็นทุกขตะเข็นใจไรมิตญาตก็ตนเป็นบุตรโอรสพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถของโลกจึงไม่เป็นทุกขตะเข็นใจไร้วิตรญาตโดยที่แท้ตนบรรลุความสุขอย่างยิ่งแล้วทั้งตนเป็นคนมั่งมีทรัพย์มากยกพระพุทธภาษิตขึ้นกล่าวว่าทรัพย์คือศรัทธาซั์คือศีลรัพย์คือฮิริคือความละอายหรือรังเกียจบาปซัพย์คือโอตัปปะ คือความเกรงกลัวบาปรัพย์คือสุตะคือสดับศึกษาทรัพย์คือจากขะคือการสละซัพย์คือปัญญาเป็นที่ครบเจ็ดซั์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตา ม, มบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าผู้นั้นไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นโมฆะหรือปราประโยชน์ท้าวส ก, กัดลุกหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลคำที่โต้อตอบกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่า เท้าสักกะตั้งร้อยตั้งพันองก็ไม่อาจจะทำสุปพุท ธ, ธะให้พูดปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ฝ่ายสุปพุท ธ, ธะไปถึงวิหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาราบทูลคุณวิเศษที่ตนได้บรรลุออกจากที่เฝ้ากลับไปก็ถูกแม่โคควิดเส้นชีวิตเรื่องพระอินมาทดลองน้ำใจนี้ให้กติว่าผู้ที่เห็นธรรมในพระพุทธศาสน า, าแล้วย่อมมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่เปลี่ยนแปลง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 จึงไม่ใช่วิสัยของผู้เห็นธรรมจะปฏิเสธพระลัตนะไตรได้เลยใครๆก็ไม่อาจจะมาเปลี่ยนใจให้ออกห่างไปจากพระรัตนะตรได้ถึงแม้แต่ยากจนที่สุดและมีผู้นำทรัพย์มับไปท่วนมาลอ่อดังเรื่องสุปปาพุท ธ, ธานี้พระเจ้ามัาตุราชคคำว่าสกาวเป็นต้นที่เรียกกันเป็นพื้นว่าพระอินนั้นเป็นชื่อตาแหน่งของเทวราชผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งองค์หนึ่งจุดตีไปแล้ว ก็มีอีกองหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนสืบต่อกันไปดังนี้ไม่ขาสายดังในเรื่องเล่าในมันพาตุราชาดกว่าในครั้งปฐมมกันมือมนุษย์มีอายุยืนนานนับไปท้วนหรืออสงไขยพระเจ้ามันธาตซึ่งสืบต่อพระวงศ์ตรงมาจากพระเจ้ามหาสมมตราชผู้เป็นพระราชาองค์แรกของโลกในเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครองโลกนับเป็นองค์ที่ปพระเจ้ามันธาตมีฤทธานุภาพมาก ครองโกมนุษย์อยู่นานจนเบื่อแล้วก็เกิดขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ก็ต้อนรับยอมให้ครอบครองพระเจ้ามันทาตุครองสวรรค์ชั้นแรกนี้นานเข้าก็เบื่ออีกจึงขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดิงเท้าสักกะก็สมต้อนรับแบ่งดาวดิงให้ครองกึ่งหนึ่งพระเจ้ามันทาตครอบครองดาวดิงอยู่นานเท้าสักกะจุติปไปและเกิดขึ้นใหม่องค์แล้วองค์เล่าถึงสามสิบกอง ก็เกิดบื่อที่จะครองเพียงกึ่งเดียวจึงคิดปรงพระชนเท้าสักกะเพื่อจะครองสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดแต่ธรรมดาว่าท้าสักกะไม่มีใครจะดปรงพระชนได้ความคิดปรารถนาของพระเจ้ามันธาตเป็นตันหาคือความทะยานอยากดิ้นรนเป็นมูลเหตุวิบัติทําให้อายุสัน้นทําให้แก่แต่เป็นธรรมดาว่าสรีระมนุษย์ไม่แตกทําลายในเทวโลกคือไม่ตายติ้งซากไว้บนสวรรค์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 ต้ตกลงมาจากสวรรค์สิ้นพระชนก้น ร, รับสั่งไว้ให้ประรากาศดังนี้แล้วก็สิ้นพระชนไปตามกรรมชาดกเรื่องนี้ท่านเราไวเผู้แสดงโทษของตันหาว่าไม่มีใครทําให้อิ่มให้เต็มบ้านเหมือนอย่างมหาสมุทรไม่มีอิ่มน้ําไฟไม่มีอิ่มเชื้อเมื่อทั้งเล่าชาดองนี้แล้วก็ได้แสดงเป็นพระพุทธภาเสร็จความว่าจันทร์และอาทิตย์ทรงสว่างไปตลอดทิศพินใด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 เป็นองค์ที่มัคะมานบไปเกิดดังเล่าในบาลีสักกสังยุตที่เก็บมาเล่าไว้แล้วโปรดติดตามรับฟัง45รำรสาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสจกรมมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป